จะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประูตดในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันเสาร์ที่แล้วที่ได้พูดถึงความเห็นที่พระเจ้าทรงชั้กับมารบิปาลาตหรือคลาดเคลื่อนไม่ยุติด้วยความจริงั น, นีจริงแล้วก็คืออาการของอวิชาระดับหนึ่งนั่นเอง เพียงแต่ว่ามันจะมืดบอดขนาดไหนเท่านั้นวันก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่มีโยมเขาสิลอกมาให้ก็มีคนที่เป็นแพทย์ก็แสดงว่าเป็นแพทย์ เ, เขียนเรื่องวัฏศาสนาหลายครั้งอะ่ะแต่เราจะเห็นว่าเป็นการตัดสิน พระพุทธศาสนาด้วยความรู้ในทางโลกแต่ก็ดูจะสับสนมาตลอดวันก่อนได้มีพูดอยู่สองประเด็นปเป็นแรกเป็นการอ้างถึงความเห็นของแพทยสารรัฐได้บอกว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานั้น ปฏิเสธกรรมมคุณทำให้เกิดอาการเก็บกดเป็นโรคจิตประสาทกันมากแต่ก็มีตอนหนึ่งในตอนสุดท้ายก็บอกว่าคำสอนที่เกี่ยวกับการพึ่งตนเองจะอยู่รวมกันกับคำสอนเรื่องอนัตตาในาศาสนาเดียวกันนั้นมันเป็นไปไม่ได้ แล้วก็มีข้อเขียนลักษณะนี้อยู่บ่อยๆข้อนี้บราสังเกตว่าคำสอนในพุทธศาสนานั้นเป็นผลตรงมาจากการศรัสรู้คือในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ปริยัติมันเป็นปริยัติสมัครเราแต่จริงแล้วเป็นปฏิเวทคือเป็นการสอนจากผลที่สัมผัสจริงอ่สัมผัสตรงของพระพุทธเจ้า บางคำสอนเหล่านั้นจะเป็นบสอนที่เกิดขึ้นมาจากการพิสูจน์ทดสอบและรับผลมาแล้วเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่านันจะแบ่งไว้เป็นสองระดับรับหนึ่งท่านเรียกว่าสมมติสัจจะหรือความจริงระดับของการสมมติบัญญัติเป็นการยอมรับนับถือของสังคม ในแนสมมติก็เรียกไว้หลายระดับที่ ก, ก็โลกโลกก็สมมุติเป็นการสมมุติของชาวโลกชาวโลกก็สมมติว่าเป็นอย่างนี้เขายึดถือว่าเป็นอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าอนุวัตตามโลกคือคอยตามโลกเพราว่าอย่างนั้นเขาเรียกอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปตามเขาด้วยแต่ในแง่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ว่าใครจะสมมติบัญญัติกันขึ้นมายังไงเราเข้าไปในสมาคมนั้นในท้องถิ่นเหล่านั้นก็ว่ากันอย่างนั้นบางทีเป็นโลกกษมัญญาคือการกําหนดหมายกันของชาวโลกถนนนี้ทางเดียวสองทางก็แล้วแต่จะกําหนดเอาอเดือนนี้วิ่งทางเดียวเดือนต่อไปวิ่งสองทางก็ได้ปฏิบัติได้ถูกตรงในขณะนั้นท่านนั้นเอง เป็นโลกกวโขหารเป็นภาษาของชาวโลกที่บัญญัติเรียกกันตามภาษาของท้องถิ่นตามภาษาของเผ่าพันธุ์ก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเฉียงในเรื่องภาษาบ้านี้ก็เรียกอย่างนี้ก็เรียกกับเขาด้วยก็แล้วกันอนะ่ะไม่ต้องไปทะเลาะกันเป็นโลกกนิรุติเป็นภาษาของชาวโลกเพราะระดับสมมุติเนี่ยการพูดถึงอัตตาตัวตน ตนเป็นตีพึ่งของตนจงเตือนตน้วยตนพิจารณาตนโดยตนตรวจสอบตรวจสบตนโดยตนตัดสินตนโดยตนนั้นเขาเรียกว่าเป็นสมมติสัจจะเป็นคำสอนที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัตตะหรือหมายความว่าเป็นคำสอนระดับที่ยังหมุบนบุอยู่ในวัตตะการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลที่จริงมันเป็นไปประวัตตะ หมายความมาตกแต่งภพชาติได้ประณีตมากยิ่งขึ้นไปก็ทําให้มีตัวตนนั่นแหละแต่ว่าตัวตนมันจะลดอัตราลงไปก็ทุกหลงไปลดกิเลสลงไปมีความสุขเพิ่มขึ้นแต่ยังก็ที่จริงก็ยังเป็นตัวตนก็ไปกันเรื่อยนะฮะจนถึงพระนาคามีเขาก็มีตัวตนอย่างเงี้ยแนวตรงนี้เป็นแนวที่ ใช่ติดต่อสื่อสารกันอย่างที่เคยบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านได้โลกุตรจิตคือพระไทยพระเจ้าจริงๆเป็นโลกุตระแต่เวลาพูดกับชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยคำสอนจะเป็นโลกิยะแล้วก็จะเป็นระดับที่เราเรียกว่ากามาวจรภูมิคือระดับของชาวโลกจิตใจยังเกี่ยวข้องเกาะเกี่ยวผูกพันในเรื่องวัตถุกรรมทั้งหลาย เป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านและ้ะรูตรระรัสที่จริงเป็นภาษาที่ง่ายนะฮะง่ายกว่าภาษาของครูบาอาจารย์ในรุ่นหลักถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกหรือพระไตะปรปิฎกจะง่ายกว่าคําสอนรุ่นหลักเหตุอัตกถาเนี่ยจะยากและวพวกประกอบพิเศษทั้งหลายในบางทีท่านสมาบสนชี้นี่ทั้งบรรทัดแล้วสอนติดกันเป็นพืชเลยแปลก็ยากอ่านก็ยากของพุทธจง้ง่ายๆ ใช้ภาษาธรรมดารรมดาง่ายๆเพราะอะไรเพราะต้องการติดต่อกับชาโลกพูดอา้ชาโลกเข้าใจแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ข้องไม่ติดในเรื่องเหล่านั้นคําสอนเรื่องอนัตตาเป็นคําสอนระดับปรมาัา จ, จิตจะเป็นวิปัสสนาปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็น แต่ในขณะเดียวกันคําสอนทั้งสองประการนั้นมันก็มีการผสมประสานมายความว่าอิงอาศัยกันในความเป็นปรมาจารย์มันก็แฝงอยู่ที่สมมติในความเป็นสมมตินั่นเองมันก็คุ้มผ่อปรมัตา์เอาไว้มันก็อยู่ในที่เดียวกันคล้ายๆกับความรู้ว่าเป็นเรากับความรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยมันก็ซ้อนอยู่ในตัวเรา แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองทางทีนี้แนวที่เรียกว่าเป็นการปิดกั้นเรื่องการมทั้งหลายก็เหมือนกันนี่นะครับคือความคิดเนี่ยมันแปลกที่เขาบอกก็าพูดถึงวิสัยทัศน์ปัจจุบันมีคำใหม่วิสัยทัศน์บื้หว่ากันมากมีวิสัยทัศน์ทีกว้างไกลอะไรแต่มองอะไรได้ไกลเนี่ย เรเจนวิสัยทัศน์ก็คือแนววิปัสสนาของพระเจ้าไม่ได้พิเศษอะไรนะฮะเราก็เคยใช้อะไรทัศนกติเจตคติอะไรแต่ไรมาเยอะแยะไปหมดแต่ตอนตอนนี้ก็บางหวือหวาเรื่องวิสัยทัศน์แต่ท่านทั้งหลายลองลอ ง, ลองสังเกตความคิดแนววิสัยทัศน์ที่เขาเนี่ยวิทยุนี่ออกเรื่องอะไรผู้แทนเลือกตั้งเนี่ยทั้งวันเนี่ยนะทั้งวันทั้งคืนมีอยู่สองสถานี นีการเสนอให้โละผู้แทนเก่าทิ้งให้หมดแล้วก็เอาเลือดใหม่เข้าไปเอาผู้แทนใหม่เข้าไปถือว่าเป็นโลกของคนยุคใหม่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเราลืมข้อเท็จจริงไงนะสมมติวัดบวรเนี่ยเอาพระเก่าออกให้หมดเอาพระใหม่เข้ารวดเดียวทีเดียวเลยอยู่ได้หรือเปล่าครอบครัวเนี่ยมีคนรุ่นใหม่รุ่นเดียวไม่ต้องมีคนแก่อยู่ได้หรือเปล่า มันอยู่ไม่ได้สังคมจริงๆมันอยู่ไม่ได้ตั้งแต่ไหนสักเลมาแล้วเพรา ะ, ะนั้นองค์กรทุกองค์กรต้องมีผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เป็นหลักให้สืบสารให้แก่ผู้น้อยสั่งสอนผู้น้อยเป็นแบบให้บอกกล่าวให้สอนงานให้ไปโดยลําดับมันไม่ใช่นิริ่งโพดพระเข้าไปมีคนใหม่ล้วน ล, ล, ล, ล้วไปทําอะไรถูกได้ยังไงนี่คือลักษณะการมองปัญหาในจุดเดียวโดยลืมมองไปว่าเราเลือกไปทําอะไร ไหนความรู้ไหนประสบการณ์นะคือความรู้ในแต่ละเรื่องมันมันมันไม่ใช่ง่ายความรู้ระดับระดับที่จะบริหารบ้านเมืองมันต้องรู้ทั้งระบบของมันกฎหมายแต่ละมาตราเนี่ยมันขึ้นมาอย่างไงเป็นตอนอภิปรายอภิปรายว่ายงังไงกรรมธิการอภิปรายว่ายงังไงนะมันก็มีจดบันทึกไว้ทั้งหมดทุกตัวอักษรเนี่ยเขาบันทึกไว้ทั้งหมดราะถ้าคนไม่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่เข้าใจตังเจตนาของแต่ละเรื่องเจตนารมของแต่ละเรื่อง มองแคบนะฮะวิสัยทัศน์จริงต้องมองกว้างแต่มองได้รอบด้านรอบจิตแล้วก็สื่อสารได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันต้นหลักตรงนี้ที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าวิปัสสาหมายความมองไม่ตรงําความจริงที่แท้จริงแต่มันเป็นโลกะนะะโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าว่า ตราบใดที่างเป็นโลค ก, การมองชัดเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามองชัดจริงๆมันก็เป็นโลค ก, กุตรามันพ้นโลกแล้วคําสอนในทางศาสนาจึงไม่ได้มุ่งไปสู่จุดนั้นเต็มที่แต่ว่าจะเป็นคําสอนในแนวของมุ่งการขัดเกลาแล้วก็ลดละปัญหาที่เกิดขึ้นจากความวิปลาสเราจะเห็นว่าในเรื่องของสิ่งที่ไม่เที่ยง ที่เรามองว่าเที่ยงเมื่อมีคำสอนในระดับต่างๆที่สอนไม่ให้ประมาทถ้าเรามีความไม่ประมาทเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเราหาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เที่ยงได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่เที่ยงได้แต่เราหยุดสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ได้เพียงแต่เราหาประโยชน์จากสิ่งต่างนได้เช่นเวลาเป็นของไม่เที่ยงเราหาประโยชน์จากเวลาได้ชีวิตเราไม่เที่ยงเราหาประโยชน์จากชีวิตได้ สังขารร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงเราก็หาประโยชน์จากสังขารร่างกายได้เท่าที่มันมีให้เราหาประโยชน์อย่างที่ท่านมองอย่างที่ท่านท่านจักขุบานที่เคยเล่าให้ฟังนะท่านจักขุบาลที่ท่านเป็นเครือบดีใหญ่ร่ํารวยมากฟังเทศในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วต้องการจะบวชมันอยู่กับสองคนพี่น้องน้องชายก็ไม่อยากให้พี่ปวด บอกครับสมวบาร์ก็เรามีเยอะแยะไปแล้วก็ค่อยบวชตอนแก่ดีกว่านั่นน้องชายมองว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่จนแก่วความเพียรพยายามอะไรแต่เราแค่ทำตอนแก่ก็แล้วการเข้าวัดวังธรรมำจำจริงด้วยทําตอนแก่ก็แล้วกันแต่ว่าจากคุบานนั้นท่านมองในแง่ของความไม่เที่ยงท่านบอกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่แน่ว่าจะอยู่ถึงแก่และอีกอย่างหนึ่งแก่แล้วเนี่ยมือเท้าวัยวะของเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ จะประพฤติปฏิบัติพรหมจารย์ในบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างไงเพราะฉะนั้นท่านไม่เอาท่านจะบวชแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้แก่น้องชายนี่คือมุมมองที่เราเห็นคนสองคนนั้นมองต่างกันคนหนึ่งมองว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็คิดว่าตัวเองจะอยู่อีกนานก็เลยก็ไม่สนใจที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติแต่คนหนึ่งมองในแง่ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะประโยชน์สผลผลท้ยก็ต่างกันท่านจักุบาลมารุมมกุลเป็นพระอ า, าราช ส่วนน้องชายก็ทักษาสี่หายย้ายังไม่ครบไปนะนี่คือจุดจุดที่เห็นได้ชัดเจนว่าการมองโลกนั้นถ้าเรามองโลกด้วยความรู้เท่าทันมองด้วยความเข้าใจแล้วเราก็หาประโยชน์จากมันได้ที่จริงมันก็คงไม่เที่ยงกันแหละในแง่ของความเป็นทุกข์ก็เป็นเช่นเดียวกันพระเจ้าก็สอนทุกระดับแต่อย่าลืมพระเจ้าใชา้คำวมาความนะฮะ ใช้คำว่าความไม่ได้ใช้คําว่าคนหมายความว่ามันมันคลุมหมดอะทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเป็นวัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหาร ท, ทั้งทั้งทั้งั้งหลายนี่มันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็เกิดปรับใจให้รู้เท่าทันถึงความเป็นจริงแล้วก็ทํายังไงพยายามตัดเทปของความทุกข์ ลดเหตุเป็นความทุกข์ไว้ในหลายระดับจนถึงบอกว่าถ้าละเหตุแดงทุกข์ได้ก็เป็นสุขในที่ทั้งปวงเมื่อเรามองอะไรได้ชัดเจนเราก็แก้ปัญหาต่างๆได้เรื่องงานนับตาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือไม่ได้ถึงว่าไปถอนฐานามานาทิฐิได้พืวดเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันมีไม่กี่คนที่ทาได้ แต่ว่าท่านอย่างไงเมื่อเราไปต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์กับสิ่งทั้งหลายแม้แต่ตัวของเราเองหรือสาธานภาพทั้งหลายเนี่ยอย่าไปตั้งความหวังไว้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นที่จริงการเป็นทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาจากเงื่อนไขและก็เหตุปัจจัยต่างๆวันนี้ได้เป็นพรุ่งนี้อาจจะไม่เป็นพรุ่งนี้เป็นมะรืนอาจจะไม่ได้เป็นแต่จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในตัวของความเป็นเราดั้น เพราะแนวการสอนที่สอนให้คิดเช่นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอะไรเราคือเราจะบงการสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามที่เราต้องการในทุกเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มันก็ไม่เครียดอนี่ยนะไม่ต้องไปเครียดมากเกินไปบางทีไปเดือดร้อนเพราะลูกคนเดียวก็ <Yeah. S 1> แล้วเดือดร้อนเพราะทรัพย์เดือดร้อนเพราะการงานเดือดร้อนเพราะอะไรจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่ไนในสุดตัวเองก็สร้างปัญหาแก่ตัวเอง แต่ถ้าเราทำใจไปบ้างสิ่งทั้งหลายนะั้นเราบังคับมันไม่ได้แม้แต่ตัวเราเราจะบังคับไม่ได้เลยจะบังคับคนอื่นอะไรได้ทั้งหมดผมก็ทำไปเท่าที่ทำได้พอถึงจุดหนึ่งดับทินธรรมจรรยามันก็ปรับจิตเข้าไปอยู่ที่อุเบกขาได้ทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะสิ่งที่เราทำไม่ได้ก็ปล่อยเป็นไปตามกระแสบังคับมัน หรือว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆความเป็นเจ้าข้าเจ้าของในขณะที่เราเป็นเจ้าข้าเจ้าของเราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งหล น, นั้นเหมือนมี e คล้ายกๆกับเวลาเราไปใช้มันเท่าที่เท่าที่เราใช้ได้มันผ่านไปก็คือผ่านไปแต่เราถึงมองในแนวแยกย่อยเราจะเห็นว่ามองในแนวย่อยเนี่ยไม่สอนบ่อยๆหรอกเพราะอะไรเพราะมันมีปัญหาในการมอง มันมันมันอะไรล่ะมันเกิดเป็นปนัญหาขึ้นมาแล้วในโลกตั้งหลายครั้งหลายคนในมองเป็นไม่มีตัวตนแล้วก็ใจเราไม่ถึงเราจะลืมมาพัฒนาการทางจิตมันสัมพันธ์กับการรู้เห็นด้วยแต่ถ้าเราขึ้นไปที่สูงระดับนี้เราก็เห็นอย่างนี้สูงขึ้นไปเราก็เห็นอีก เ, ออเห็นเพิ่มขึ้นนะผลจิตที่สูงขึ้นมันจะเกิดความรู้เห็นที่สูงขึ้นแล้วก็พร้อมกับลดควากิเลสด้วย ลองนึกภาพดูว่าสมมุติคุณสมบัติทั้งหลายในหูทิพตาทิพย์เนี่ยหูทิพตาทิพย์มันเกิดขึ้นจากจิตที่ไม่มีกิเลสถ้าจิตยังมีกิเลสอยู่หูทิพตาทิพย์มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถ้าคนยังมีความโลภอยู่แล้วเกิดหูทิพตาทิพย์แล้วมันยุ่งหมดอ่ะไปมองเนี่ยเขาเก็บทรัพย์ไปตรงไหนจะเอายังไงจะขโมยได้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรกันเพราะฉั้นตรงนี้มันมันมันจะบวกกันทั้งสองอย่างหมายความว่าเธอใจยังไม่บริสุทธิ์หูหูเธอจะเป็นทิพย์ไม่ได้ตาจะเป็นทิไไมม่่่ด้แตเือ เมื่อใจเธอบริสุทธิ์แล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมันจะใช้ไปในแนวเดียวคือแนวสร้างสารรค์ไม่ได้ใช้ไปแนวทำลายเพราะนั่นคุณสมบัติพิเศษอย่าลืมว่ามันพิเศษมาจากจิตมันไม่ใช่นิ่งๆพิเศษขึ้นมาถ้าจิตยังไม่พิเศษคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้นอกแขกว่าหลอกลวงเอาอะนะเล่นกลเอาอะไรต่อะไรนี้มีหน้า ม, ม้าเอาเนี่ยก็ทำได้ก็เกิดได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เกิดจริงถ้าเกิดจริงมันอยู่ที่สภาพจิต เป็นการพัฒนาการทางจิตเพราะงั้นการเห็นที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไปเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นของศูนย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะทําไม่อย่างนั้นมันจะยุ่งในเรื่องอัตราการหน้ตาตาอย่างนเ้ว่าคือบาปบุญมันจะศูนย์ด้วยที่ศาสนาเราพูดเสื่อมมาสองรอปีหลังในเพราะตรงเนี้ยนะครับหมายความว่าสอนกันจนเละหมดเลยอะไรก็ศูญหมดเพราะสูญไปศูนย์มาบุญบาปมันก็สู์ด้วย เลยคนไม่ต้องทําบุญบุญบาปเป็นเรื่องของระดับวัตตามันต้องมีอยู่ตราบเท่าที่เรามีกิเลสอยู่เราจะต้องหมุนบุญบอยู่ในวัตตาเนี่ยพอาณาคามีเองก็ต้องมีบุญนะต้องอาศัยบุญด้วยพระหันเท่านั้นเองที่ละบุญบได้เพราะฉะคนที่ละบุญละบาปได้มีเฉพาะพระราหันเท่านั้นเวลาพูดระดับสูงท่านจะเรียกว่ากุศลท่านจะไม่เรียกว่าบุญ ท่านไม่เรียกบุญบาปนะฮะท่านเรียกว่ากุศลอกุศลท่านไม่เรียกว่าบุญเรียกว่าบาปเพราะว่าบุญบุญบาปจะใช้ระดับล่างมันมันมันเป็นภาษาชาวบ้านภาษาชาวบ้านชาวบ้านที่ใช้คนทั่วไปฟังรู้นะฮะคนทั่วไปฟังกันรู้แต่ขัง้งขัง้งขั้งบนท่านจะไม่เรียกบุญบาปท่านจะเรียกว่าโลกุตระกุศลแล้วก็โลกุตระอกุศลก็ไม่มีด้วยนะมีเฉพาะโลกุตระกุศลเท่านั้นเอง นั่นก็คือก็คือจะจะแยกออกไปเป็นสองระดับด้วยกันเท่นี้มามาถึงข้อสุดท้ายที่มองเห็นสิ่งซึ่งไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามก็เป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแต่ยังบอกว่าเป็นเรื่องของโลก ระบใดที่ยังเป็นโลกอยู่เนี่ยคนที่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตใจจะไม่แปรผันมันเริ่มจากพระนาคามีกับพระอาหารหันต์นะนะเริ่มที่พระนาคามีกับพระอาหารหันต์เพราะว่าพระนาคามีนั่นทันละโทสะได้ละราคะได้ปรโสรดบันก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดออกมีพระนาคามีกับพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นในระดับนี้เราสังเกตว่าคําสอนพระพุทธศาสนามาเรืงนิ่งกระโจนพวดไปถึงพูดเรื่งิง ความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครสเสมอไปแต่ว่าเป็นการค่อยๆพูดค่อยๆสอนไปโดยลำดับแต่ไม่ใช่พูดตรงนะฮะบพึ่งสังเกตว่าไม่ใช่พูดตรงก็เรียกมาสอนกันระดับของกรรมฐานอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคยมีนะฮะตอนตอนตอนเริ่มบวชกันใหม่ๆเนี่ยพระก็บอก สอนกรรมาฐานที้ญาติโยมเคย <c oughs> เคยเคยเคยข้าพิธีบวชอธิเกสาโลมานะคะนัตตาตะโจนะอธิบายเรื่องผมขนเลีพันความปฏิกูลของผมขนเลี้ยันเนี่ยอธิบายก่อนก่อนที่จะโกนผมอธิบายในขณะที่โกนผมฮะอย่างพระทัพพระมลราบุตรคงจะได้ยินชื่อพระทัพพระมาระบุตรเนี่ยตอนนั้นท่านท่านบวชยุกแรกบวชไปอาจารย์ก็สอนโกนผมสอนศพผมก็หลดออกมข้างล่างท่านก็หยิบผมขึ้นมาพิจารณาตามที่อาจารย์สอน ก็โกรผมไม่ทันเสร็จอ่ะบม่รูมคกผเป็นพระหันไปแล้วก็เห็นว่าได้ผลดีก็บอกกันตอนนั้นบอกไปบอกมาบางคนมันไม่คุนบางคนไม่คุนรู้สึกขยะแขยงแล้วไปพูดอะไรม่ลู้แล้วในที่สุดก็เลยเลยไม่ยอมบวชเลยลุกขึ้นวิ่งหนีเลยท้านจึงเปลี่ยนสลับเช่มมาบอกตอนที่ตั้งใจขอบวชแล้วนะฮะ เปล่งวาจาขอบวชไปแล้วแล้วมาอธิบายทีหลังอธิบายเป็นเราอธิบายเป็นเราไม่ใช่ว่าอธิบายละเอียดแต่อย่าลืมว่าแนวตรงนี้เป็นการแนวที่ลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าคําว่าสวยงามนั้นมันมั น, ม, นมันเป็นภาษาที่ใช้ทางตาแต่จริงราภาษาสมผัสเรามันมีมันมีหงตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะก็มองสิ่งที่เราเห็นด้วยตาว่าสวย มองสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูว่าไพเราะมองสิ่งที่สุดรบ ด, ด้วยจมูกว่าหอมองสิ่งนี้สัมผัสด้วยลิ้นว่าอร่อยมองสิ่งนี้จับต้องด้วยกายว่าน่าจับต้องแล้วก็มองสิ่งที่เหนียวนึกด้วยใจว่ามันทําให้เกิดความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีเอจริงๆมันก็มีห้าอย่างอนะไอ้หกอย่างเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนรวมก็เรียกว่าธรรมารมแต่สิ่งเหล่านี้ที่จริงโดยสภาพของมันแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของเราเอง แล้วคนอื่นก็ปรุงแต่งคนอื่นก็ชี้นำเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้จริงๆมันไม่มีอยู่จริงะนะมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงภาพมายาที่มีการสะสมเอาไว้แล้วก็บอกกล่าวชี้แนะกันมาเรื่อยๆอามาเคยสอนวรรณคดีวิจารณ์อธะฟ้าวิจายรย์สงเนี่ยก็สนุกเลยสอนวรรณคดี หลักภาษาไทยวรรณคดีวิจารวรรณคดีไทยหลักภาษาไทยเราสนเยอะเท่านะตอนนี้ก็ลดลดลงไปคือเรามองถือว่าความคิดเนี่ยความคิดของไทยที่พูดถึงความงามของคนเนี่ยเราไม่เคยคิดว่างามจริงหรือเปล่าเราไม่เคยสเก็ตภาพออกมาดูว่าภาพอย่างนี้เป็นงามจริงไหมครับแต่เราก็ว่าไปเรื่อยในวนรรณคดีทั้งหลายๆก็ลอกมาแนวความคิดเนี่ย ในบางที่ก็ลอกมาสแสดงว่ามันถูกปรุงถูกสร้างแล้วเราก็ไม่ได้คิดต่อว่าจริงๆมันงามจริงหรือเปล่าเราได้คดติมาจากอินเดียนะฮะเราจะเห็นว่าความงามแบบภทยนั้นคือคิดแบบอินเดียคิดแบบความงามอินเดียซึ่งอยู่ในวรรณคดีอินเดียจนพูดถึงความงามของนางสีดาความงามของอะไรอะไรนางเอกในในอินเดียทั้งหลายในวรรณคดีทั้งหลายเนี่ย เราไม่เคยคิดว่าจริงๆมันงามจริงหรือเปล่าในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยในหนังสือหลักการแต่งกรอนะนะหลักการแต่งกรอนโบราณนะที่ท่านพนาัรณาเรงความงามว่าจะงามพักเพียงจันทร์บุหลันชายหน้าเหมือนกับพระจันทร์เราเนื้อด้วยหน้าพระจันทร์มันงามยังไงอั น, นี้คือคือเราไม่เคยคิดมันงามได้ยังไงหน้าเหมือนพระจันทร์มันงามได้ยังไง ย่งงามเนตรดังหนึ่งในตาสายตาเหมือนกันเนื้อสายตาเนื้อสายมันงามยังไงงามขนมกุ้งละไม้ขันสนสมคิ้วเหมือนกับขันสนมีหรือคิ้วคนเหมือนขันสนเห็นไหมเราไม่ได้คิดต่อไปเลยอย่างงามนาสายนต์นึ่งก้นขอจมูกมันก็ขอเห็นไหมเราไม่เคยคิดต่อมันงามได้ยังไงจมูกมันของามสอกมันคอสุพนงคอนูกมันก็หงคอหันมันงามได้ยังไง เราไม่ได้เคยคิดต่อเลยแต่เราก็ว่ากันเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินนะพอไปเรียนวนรรณกดีวิจารณ์มันก็ตลกสนุกแดยวิจ า, ารณวรรณกดีนี่ก็สนุกว่ากวีมันก็คิดแบบกวีแล้วบางทีกวีก็ไม่มีภูมิปัญญาในการคิดกวีก็อาศัยความคิดคนอื่นแล้วก็นำมาเรียงเข้าเป็นกลอนเป็นบทต่างๆกวีไม่ได้มองหนังสือว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นจริงได้หรือไม่แต่เราถือว่าเป็นอะไร เป็นเรื่องของกวีนะเป็นเรื่องปฏิพาน์กวีจินตะกะวีไม่ถือว่าเป็นมุสาวาทถือเป็นแรงบันดาลใจของเขาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสะสมที่ถูกปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแนวตรงนี้คําสอนในทางภาษาอ่านนั้นเราจะเห็นว่ายังยังความคิดของหมอที่วาาเนี่ยที่เขียนนหนังสืออะไรเนยถ้าเราปล่อยไม่มีการควบคุมเนี่ยมนุษย์ไม่มีการควบคุมพฤติกรรมได้ ลอยไหลไปตามราคาโลภะนี่โลกมันก็คือกาียุกอ่ะเกมไม่ได้คิดว่าการสอนให้บรรเทากามาราคะบรรเทาโลภะโลภะกับราคะต้องบรรเทานะถ้าเป็นงั้นแล้วจะบังคับเสือกสายผากสายขนให้ไปยื้อแย่งต่อสู้ประหารประหารกันแล้วก็มีแต่คนล้มตายมีแต่คนทูญเสียมีแต่ความไม่สงบ จะไม่มีการเคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของการอะกั น, ก, นก็มีการร่วงระเบิดกันนั่นคือปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสะของกิเลสเป็นกระแสะของโลภะกระแสะของราคะจนกลายเป็นศึกสงครามต่างๆขึ้นมานั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคะโลภะไม่มีการควบคุมก็ลุเขเรีท่านท่นานใช้คําว่าลุอํานาจแก่ลุอํานาจแก่ราคะอํานาจแก่โลภะอํานาจแก่โทสะ และพฤติกรรมทั้งหลายของขดก็รุนแรงเพราะตรงนี้ที่จริงครูขุ้นเจ้าไม่ได้สอนในแง่สวยงามไม่สวยงามเราสังเกตเลยไม่ได้สอนในแง่สวยงามไม่สวยงามเอาในครั้งแรกก็ขออยากการเมธุมิชาจารก่อนเอาตรงนี้อย่าอธินาทานก่อนอยา ก, การเมธุมิชาจารย์ก่อนเพราะจริงๆอย่าลืมนะฮะว่าอธินาทานนัคือวัตถุ ก, กรรมอธินาทานคือสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้สุดลดมได้ลี้ยได้จับต้องเราก็ลักขโมยสิ่ง น, นั้นเราก็ร่วงเกินสิ่งเดี น, นั้น การเวก็คือวัตถุการมทั้งหลายก็คือสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินเหมือนกันก็สรุปว่าโลกนี่มันมันคือวัตถุกามผู้รวมรวมมาเป็นวัตถุกรรมคือวัตถุที่น่าใคร่แต่ว่าจะน่าใคร่หรือไม่น่าใครมันอยู่ที่ใจของคนมันไม่อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นใจคนมากําหนดว่าน่าใคร่มันก็น่าใคร่ตามเขาถ้าไม่กําหนดว่าไม่น่าใครมันก็ไม่น่าใครเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้บางทีเนี่ยในช่วงหนึ่งเราก็พกผ่าไปในช่วงหนึ่งก็ต้องชิ้ง แต่ในะคำสอนระดับนี้เราจะไม่พูดในรูปอธิบายว่าวิปัสสาไม่วิปัสสาแต่จะพูดอีกมุมหนึ่งคือพูดในแนวภาวนาพูดในแนวภาวนาต้องการที่จะให้คนอยู่ระดับคุมตัวเองได้คือคุมไว้ระดับศีลที น, นี้การคุมระดับศีลเนี่ยเมือก่อนก็มีการทํารายการโทรทัศน์ช่องห้าไอ้ช่องเก้าที่ตอนสี่หครึ่งเนี่ย มันมีคําถามเรื่องปัญหาสิทธิเด็กกับปัญหาปัญหาสิทธิเด็กและสตรีนะฮะมีคําถามแต่ว่าจะทํำยังไงจะแก้ยังไงก็ว่ากันเยอะเอามาบอกว่าปาัญหาสําคัญเนี่ยถ้าแก้ที่ใจไม่ได้เนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกสร้างกฎหมายสร้างตํารวจสร้างคุกอะไรก็เท่ามากระท่างสร้างไปถึงมันมันมันแก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่ใจให้ได้ที่นิจใจคนเนี่ยเราอย่าลืมนิ่งเราพัฒนาไม่ได้มันต้องให้ใจนีิกลัวให้ได้ก่อน กลัวอะไรไว้สังอย่างเช่นในโอตปะเนี่ยเราสังเกตโอตปะมันจะกลัวสามระดับกลัวสี่ระดับหนึ่งกลัวว่าทําไปแล้วเนี่ยตัวเองจะตีเตียนตัวเองได้สองเนี่ยคิดว่าทําไปแล้วเนี่ยวินญาชนก็จะตีเตียนสามกลัวว่าจะถูกจับกลุ่มจะผิดกฎหมายสี่กลัวว่าจะตกนรกมันต้องกลัวให้ได้สักอย่างและทีนี้กลัวสามอย่างครั้งแรกเนี่ย ปัจจุบันนี่เอาไม่ค่อยอยู่นะให้เราสังเกตเราสามอย่างขั้นแรกนวมาอยู่บางทีคนเรานี่มันมั น, ม, น, ม, นมันด้านจนจนไม่รู้ว่ามันตัวเองผิดไม่ยอมรับผิดเลยไม่เคยผิดด้วยนะพูดอะไรเนี่ยไม่เคยผิดเลยถ้าเจอคนอย่างนี้ก็จบกันเลยคนบางคนไม่สนใจคําพูดของวินยูชนยิ่งคนสมัยนี้ยิ่งแล้วใหญ่คนแก่ขี้บ่นไปอย่างนั้นเองเไม่ยอมรับฟัง เห็นไหมเขาก็ไม่สนใจถูกจับกลุ่มมีเงินเสีอย่างหนึ่งหรือว่าจับไม่ได้ไล่ไปทันก็เอามาอยู่อีกอ่ะเพราะนั้นความเชื่อที่เป็นหลักในการแก้ตรงนี้คือต้องเชื่อเรื่องบาปปุ่นเรื่องนรกสวรรค์ใด้ก็พิธีกรก็เป็นอาจารย์ในจุลานะก็ถามเอกก็แสดงความเชื่องมงายนี่แก้ปัญหาได้บอกไอ้คุณอยู่าพูดอย่างนั้นทีอนี่พระพุทธเจ้าแสดงนะเนี่ย พุทธเจ้าแสดงในเรื่องนรกสว่า์เนี่ยนะพุทธเจ้าท่านมีญาณท่านรู้เราไม่รู้จะพูดองกรมงานได้ไงแต่อย่าลืมว่าจะเป็นยังไงก็ต่างความเชื่อตรงนี้ถ้าเรามีได้แล้วเราแก้ปัญหาตรงนี้ไนดะ้ซึ่งหมายความไงถ้าเราเชื่อตรงนี้แล้วเราปฏิบัติได้อย่างนี้เราไม่รู้อํานาจแกร่ราคะไม่รู้อํานาจแก่โลภะไม่รู้อํานาจแก่โทสะก็มีนะฮะมีไม่ใจ่ถึงกับไม่มีหรอกเพียงแต่ว่า เราคุมมันได้คุมจิตใจตัวเองได้ควบคุมใจตัวเองได้นั่นเห็นไหมก็ไม่จะพูดเรื่องวิปัสสนาไม่วิปัสสนแต่อย่าลืมว่าพอเราทำได้เนี่ยมันจะไม่รู้อำนาจแก่กิเลสซึ่งหมายความว่าก็คุมคุมกิเลสได้พอถึงระดับที่สองเนี่ยก็ยังไม่พูดเรื่องเรื่องเรื่องปฏิกูลณไม่ปฏิกูลณนั่นแหละ ก็คือแนวสีข้ออพรมแนวสีนาทินาเหมือนเดิมอัพรัมอัพรัมเปลี่ยนนะอพรัมเปลี่ยนก็หมายความว่าควบคุมได้ค่อนข้างจะเด็ดขาดในระดับหนึ่งนะฮะอาจจะสองวันอาจจะวันหนึ่งคืนหนึ่งควบคุมควบควบคุมระดับสีนุบโบสุดควบคุมระดับสีแปดควบคุมระดับสีสิบก็แล้วแต่แะแต่ก็สรุปว่าไม่ได้พูดในแง่ของ ความไม่สวยไม่งามมาเริ่มพูดเรื่องพราวไม่สวยไม่งามเนี่ยมาเริ่มพูดที่ระดับของกรรมฐานจ่ลืมว่ากรรมฐานตรงนี้ก็ไม่ค่อยพูดกับคนูทั่วไปไนะครเวลาเนี้ยมีสำหนักบางสำหนักที่ชอบเอาอะไรอสุภกรรมฐานเรื่องสศพเรื่องอะไรแต่ไรในความปฏิกูลร่างกายออกมาออกวิทยุออมาก็เป็นห่วงนะ เมื่อวานก็ไปเจอเจ้าสํานักเขาแต่ไม่ได้คุยกันหรือมองเห็นกันไกลๆบางีก็กินข้าวอยู่ไปพูดไดอย่างไรเรื่องความปฏิกูลของร่างกายซากศพไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมันมนเขาไม่พูดกันหรอกเป็นเป็นเรื่องของกรรมฐานแต่ว่าเป็นการกรรมฐานมันก็ต้องมองนะต้องมองว่าพื้นฐานความเข้าใจเนี่ยมันจะยองเข้าใจได้หรือไม่ เพราะอะเพราะการมองตรงนี้มันมาท่วนกระแสกระแสจิตมากเคยมีปัญหาในสมัยพุทธกาลคุยวเจ้าสอนเรื่องอันสุภกรรมาฐานพระเริ่มเจริญอสุภกรรมาฐานมองร่างกายเป็นศพมองร่างกายตัวเองพองอ ล, ลึงชืงหมดเลยแล้วก็ไม่กล้าแตะตัวเองร่างกายไม่กล้าแตะมันเหม็นมันกลัวหมดจนในที่สุดต้องฆ่าตัวเองตายหรือจ้างคนอื่นช่วยฆ่ายุ่งกันไปหมดเลยตายกันเยอะ พระตายกันเดือดเลยพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ในป่าพอออกมาในพระหายไปเยอะรอบถาม้ต่ความมาผูกฆ่ามังฆ่าตัวตายบ้างีสุก็ทงประชุมสงใหม่แล้วก็เรียกมาสอนอน า, น า, นาปานสติเมื่อก็มีปัญหาตั้งขึ้นเหมือนกันนะคนกส็สงสัยเหมือนกันวพราะพ้เจ้าไม่รู้เลย จึงไปสอนกรรมฐานอย่างนี้รู้ว่าลูกศิษย์จะตายก็รู้นะฮะที่จริงก็รู้แต่รู้คนเหล่านี้วิบากกรรมเขาถึงแต่าการจเจริญกรรมฐานนี้มันจิตมันจะได้สมาธิจิตมันจะได้สมาธิเราจะเห็นว่าระดับเบือนนายเนี่ยฮะเบือ น, น่ายตรงนี้มันก็ขึ้นไประดับวิปัสสนาแล้วจะน้อยใจก็สงบมันก็ตายด้วยสมาธิตายด้วยใจที่สงบ ก็อย่างตายนะอย่างตายอย่างเกิดแต่ว่าเกิดดีนะเกิดดีขึ้นแต่ที่จะปล่อยไปถึงก็ฆ่ากันเองหรือฆ่าตัวตายซึ่งเกิดจะทาให้ตกนรุกมันก็ช่วยลดความรุนแรงให้เขาลดความรุนแรงให้แก่ปฏิวัติแต่ปเวิวัติเจ้าก็รู้ว่าต่อไปแกจะเป็นยังไงเนะี่ยแต่ถ้าปล่อยประพฤติปฏทวทัตไว้ข้างนอกปฏิวัติจะเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งหมายความถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วก็ปิดประตูนิพพานเลยแต่นี้ท่านท่านไม่ปิด แั่ต่อไปท่านจะได้เป็นหนึ่งพระัติเจ้าพุทธเจ้านั่นคือคือหมาควา ม, มาลดความรุนแรงลดความรุนแรงมันความรุนแรงใ น, นเกิดขึ้นแน้ทําอย่างไรมันลดได้นี้ก็แสดงว่าการศึกษากรรมฐานตรงนี้เขาเรียกว่าต้องมีโยนิโสมนสิกานคือคิดเป็นมองเป็นนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนี่จะไปเกิดไปทํำลายร่างกายคนอื่นหรือทํำลายร่างกายตัวเองจึงมีวิธีการเยอะ แต่อย่าลืมว่าการมองเนี่ยการมองให้เห็นร่างกายเป็นเพียงเครื่องอาศัยแล้วในที่สุดเราก็ต้องทิ้งร่างกายเหล่านี้เอาไว้ในโลกมันก็แปรเปลี่ยนระพาพไปตามดินน้ำโลภไฟอากาศจะทาให้ช่วยอาศัยร่างกายเนี่ที่ท่านใช้คำสองคำคือสอนให้มองว่าโรคันี้ถังคือร่างกายมันเป็นหลังของโลก เป็นที่ประชุมของโรคโรคเยอะแยะไปหมดเลยก็จะทำให้บุคคลมองชีวิตด้วยความไม่ประมาทในความไม่มีโรคเพราะคนเราประมาทใหญ่เนี่ยประมาทในในชีวิตในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคแต่ถ้าเรามองว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลเป็นรังของโรคอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ไม่ประมาทในความไม่มีโรค อูจักรระมัดระวังรักษาสุขภาพแล้วก็ไม่อะไรนำพาหะของโรคเข้าไปสู่ร่างกายแต่เวลานี้มีการรณรงค์อะไรเรื่องบุรีแรงชักสงสัยบุรีกับเล่าเนี่ยอะไรมันพกมนโทษมากกว่าก็น่าศึกษาเปรียบเทียบดูในเล่ากับบุรีเนี่ยอะไรมันมีโทษมากกว่าแต่สรุปว่าทั้งสองอย่างมันก็ การดึงสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเข้าไปาเรารู้ว่าร่างกายเราเป็นรังของโรคแล้วมันก็เรามัดระวังรักษาร่างกาย ร, มระรมัดระวังรักษาสุขภาพอย่างน้อยก็บรรเทาโรคลงไปได้แล้วก็ประพังกูดังคือเปื่อยเน่านะแตกดับไปกุอายะร่างกายเรานี่มาจากคำบาลีสองคำเปื่อยกุอายะ ตุนั้นแปลว่าสก ป, กปรกปฏิกูลน่ารังเกียจอายะแปลว่าแหล่งที่ประชุมกายก็คือที่ประชุมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเป็นการศึกษาให้ลดความรุนแรงของความกําหนัดในร่างกายแต่ไม่จริงๆไม่ใช่เฉพาะกายนะฮะหมายความทั้งสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็น สิ่งที่เรากระทบแต่ว่าเน้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นที่ร่างกายเพราะว่าทิ้งเนานี้ที่ยิมก็อยู่ที่กายเราทั้งหมดนะรูปเสียงกงลิ่นรสปวดตาพระธรมูกเรียกว่าดนตรีที่มีองค์ห้าปัญหาของโลกมันก็เกิดปัญหาตรงนี้และลองสังเกตว่าจริงๆถ้าเรามองระดับโลกมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะเป็นเรื่องของธุรกิจ ขายรูปขายเสียงขายกลิ่นขายรถขายผวดอพขายทำมารมมันก็เป็นธุรกิจทั้งนั้นเนี่ยนะนธุรกิจทั้งนั้นมันก็ความเป็นโลกแต่ว่าธรทำยังไงว่าการสแสวงหาการได้มาการครอบครองสิ่งเหล่านี้ในการสแสวงหามันก็ไม่ไดมองที่ที่การปรุงแต่งมากเกินไปแต่วมองที่ความสําเร็จประโยชนนะ์จะมองที่ความสําเร็จประโยชน์ใกล้การซื้อหาอาหาร เมื่อวานนี่คุยกันเรื่องกาแฟเฮยกาแฟเนี่ยมันแปลกนั่งรถผ่านเลยเห็นไอกาแฟะอะไรท้วงต่าห้าบาทไปถามเด็กเด็กเบอร์ตีโนนั่นสิบบาทไปถึงโรงพยาบาลนะคุยกับหมอหมอบอกที่โรงแรมถ้วยถึงทั้งร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมกาแฟเนี่ยกาแฟมันก็ติดที่รถที่กลิ่นที่รถไอ้ไม่กลิ่นกับรถเนี่ย ทำาบเรากินอะไรเรากินอะไรไปตั้งร้อยห้าสบาททั้งๆ ท, ที่หน้าโรงแรมมันก็สิบห้าบาทแต่ะนีงประหยัดสตางค์มาเยอะแล้วเขาบอกเวลาส่งสตางค์ไปต้องส่งไป2อ0รอไอ้เรียกคืนห้าสิบก็น่าเกลียดมันเสียศักดิ์ศรีก็เลยต้องทิปไปด้วยตกลงากินกาแฟถ้วยละสองรอบาทแต่โรงแรมใหญ่โรงแรมชั้นหนึ่งนี่นะไอ้ น, นี่คือคื อ, ค, อคือเราจะเห็นว่ามันจะทำให้บริโภคเกินความจาเป็น เลิกกลับระสู่อะไรกลับระสู่การเบียดเบียนตัวเองคือเราต้องหาเงินเพิ่มขึ้นต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นต้องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นแล้วก็บรรเทาความหิวได้นิดเดียวกาแฟถ้วยหนึ่งแล้วก็หิวได้นิดเดียวแต่ว่าเงินที่เราหาได้มานี่เราก็เสียเวลาไปเยอะในตรงนี้มันก็เป็นแนวคิดระดับที่อะไรละ่ะมุ่งไปที่ความสมเหตุสมผลคือเรื่องอะไร เรื่องปัจจัยเสียลองสังเกตปัจจัยเียก็คือรูปเสียงกลิน่นรสปุถัมภะธรรมารมรูปเสียงกลิน่นรสปุถัมภนะครับเรื่องเสื้อผ้านะมองทั้งสวยทั้งสัมผัสเห็นไหมเครื่องนุ่งห่มจะมองที่สวยกับที่สัมผัสเรารู้สึกสัมผัสสบายแต่ว่าคนอื่นมองเราว่าสวยจะมองสองแนวแต่ว่าเจ้าสอนใ น, ในแนนในแง่ที่มองว่าความสมเร็จประโยชน์ อย่างน้อยก็ประหยัดได้เยอะมันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการยั่วยุการยุททางอารมณ์ของโลกแต่ว่าความสเ็จประโยชน์ในการใช้เครื่องนุ่งห่มมันก็สเ็จประโยชน์คุณเจ้าจึงสอนในแนวที่เรียกว่าอาริยวงนะคือวงของภาริยาให้มาพิจารณาตรงนี้เพราะจริงๆเนี่ยเครื่องนุ่งห่มในเรานุ่งห่มเพื่ออะไร นุงมเพื่อป้องปกปิดอวัยวะที่ควรแก่การปกปิดทรงใช้คำวมายังความละอายให้กําเริ่บ ม, มายความทําให้ปกปิดก็เป็นเรื่องที่น่าละอายเพราะการหลือบยุงรมแดดหนาวร้อนต่างๆที่จะมาเสียดแทงร่างกายมันเป็นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดารงชีวิตแต่ที่เราบริโภคเกิดจนกลายเป็นสังคมบริโภคเนี่ย แต่มื่ก่อนก็มีข่าวอะไรข่าวขก็พูดถึงดาราคนหนึ่งตู้เสื้อผ้าไล่ออกจากที่นอนเสื้อผ้าเป็นร้อยๆยชุดฮะที่นอนเต็มไปหมดเลยต้องย้ายที่นอนมามีแต่ตู้เสื้อผ้าก็จริงๆเราก็สวมทีลชุดสวมทีระชุดแต่เราก็เดือดร้อนเพราะเครื่องนุ่มผมถ้าเรามองในแง่สวัสดประโุชน์เราจะแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมเราแก้ปัญหาได้เยอะเลย แล้วก็สำเร็จประโยชน์เรียบร้อยเครื่องนุ่งห่มเราก็มีไปไหนมาไหนก็ได้เพราะแนวเครื่องนุ่งห่มของพระจึงเป็นแบบสาธชิตนะของอุติชาที่ทรงวางไว้ชุดเดียวไปไหนได้ทุกงา น, นะข้อสำคัญว่าสังคมยอมรับก็จบแล้วยอมรับกันหรือเปล่าสังคมยอมรับกันหรือเปล่าถ้ายอมรับกันว่าแต่งยังไงก็ได้สะอาดถ้านเทียสุภาพเรียบร้อยก็พอแล้วก็จบ ยูตราทีก็ไปนั่นงานศพก็ไปอะไรเต่ไนี่ยบางทีชาวบ้านรถชาวบ้านได้มีเสื้อเต็มอยู่ข้างหลัง <c oughs> เตรียมไปหลายงานกิดลพระไม่ต้องงานะไปชุดเดียวเลยทั่วโลกเลยแต่ก็สําเร็จประโยชน์แล้วก็ปกปิดร่างกายได้มากกว่าโยมสะอีกเวลาข่มออกนอกวัดเนี่ยนะฮะปกปิดร่างกายได้ดีกว่าโยมผ้าพื้นเดียวแต่นั่นเด็กทีนี้ที่อยู่อาศัยก็อก เราจะเห็นว่าที่อยู่อาศัยนั้นคือจริงๆก็คือทั้งเรามองไปทั้งรูปที่เราเห็นแล้วก็สัมผัสสัมผัสที่เรากระทบตัวการสำคัญจะมองไปตรงนั้นหมายความมองกับรูปที่เราเห็นรูปาคลาสสางงา ม, งามสวยงามอะไรต่ออะไรเนี่ยมีการประดับประดาปรุงแต่งกันด้วยวิธีการต่างๆต่อถึงความยิ่งใหญ่คือยังมองเมื่อก่อนเเราพูดถึงวังกับวัดนะฮะ วังกับวัด ใ, ใหญ่แล้วก็บูดถึงวังในใหญ่แข็งแรงเยอะวังใหญ่กวังทุกวังต้องไปในวังชิดซ้ายหมดแล้วสู้เศรษฐีไม่ได้บ้านใหญ่มหาศาล ม, มาหึมาเลยเกินราคาหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านเราจะอยู่กันยังไงเราจะอยู่กันยังไงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้ามองแง่สเมเอตประโยชน์มันก็แบบเดียวกับเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยนั้นก็คือว่าป้องกันภัยอันตรายได้ป้องกันภัยอันตรายเหลือบจุงลมแดดเป็นที่อยู่อาศัย เรียกเว้ที่อยู่อาศัยเสนาสนะคือบิดที่อยู่อาศัยสับเปตรประโยชน์นั่นคืออะไรก็คือบรรเทาโลภบรรเทาราค์บรรเทาความปรารถนาในการทั้งไหนแล้วมันหยุดอะไรหยุดทุจริตในการแสวงหาเพื่อตอบสนองเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองอเวลานี้ยกตัวอย่างง่ายๆเดยกก็ต่อต้านเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะยังไม่ได้หาเสียงในะต่อต้านกันนั้น นั่นก็สมมติว่าท่านท่านเป็นอย่างนั้นจริงนะท่าซื้อสิทธทิ์อันนี้ก็แสดงว่าเป็นความละโมบโลภมากจนรู้อํานาจเกี่ความโลภไม่ได้คํานึงถึงวิธีการวิธีการในการได้ขอให้ได้แล้วมันกกลายเป็นการละเลยสินทรัมันสร้างปัญหาสังคมทำมาจากอะไรก็มาจากไปมองสิ่งเหล่านั้นดีงามจนเกินไปสวยจนเกินไปหอมเกินไปอะไรแต่เนี่ยก็กําหนดตัวเองนะกําหนดตัวเอง เรื่องอาหารเรยจะเห็นว่ามองไปที่รถอาหารนี่เกือบหมดเลยทั้งกลิน่นทั้งรสทั้งสัมผัสนะฮะทั้งรูปทั้งสีทั้งกลิน่นทั้งรสทั้งสัมผัสอาหารจะมองเยอะเลยแต่ว่าจริงๆอาหารแล้วเนี่ยแล้วก็บริโภคเข้าไปเพื่อขจัดความผิวป้องกันความผิว ให้เรากายมีเรี่ยวแรงเจริญเติบโตมีกำลังในการประกอบกิจการงานได้เท่านั้นเพราะจริงๆ ม, มันมันมันก็ผ่านลำคอไปแล้วมันก็จบตแต่ว่าเราไปปรุงแต่งปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรูปปรุงรส ป, ปรุงรถตรอะไรเนี่ยที่จริงพวกฝ่ายทางอะไรอะพวกออยพวกอะไร คือน่าจะวิเคราะห์ดูอาหารในคุณค่ากองอาหารแต่ละชนิดที่เรามีเป็นร้อยๆชนิดเนี่ยคุณค่าอาหารจริงๆเนี่ยมันห่างกันหรือเท่าไหร่เพราะแต่เรามองว่าคนพื้นบ้านตามต่างจังหวัดอาหารก็กินมากี่อย่างก็แข็งแรงะ่ะตุกภาพ้าคนเดียวต่มาเคยไปก่อนบวชนะเคยไปศึกษาชีวิตของพวกงเงาะสีมังสาไกา่แล้วก็กินๆกินๆอะไรก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยของตึ๊แข็งแรงจัง แข็งแรงในเราสู้เขาไม่ได้เลยเรื่องแบกของเนี่ยของก็ขึ้นบาปั๊บขอให้ช่วยเขาเขก็ยืนได้แต่นั้นเองขอให้ยืนได้ทันเองแล้วเขาเดินขึ้นเขาได้เรีร้อยแลยหนักเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เขยืนได้แต่นั้นเมืองก็อินเดียกุลีอินเดียเนี่ยของเธอมาหัวหนักอึ้งอนี่ยขอให้ใครช่วยประคองเขายืนได้แล้วเขาก็เขก็เดินได้ถ้าถ้ายืนได้นะถ้ายืนได้ก็เดินได้แต่เราดูที่อาหารปรากฏว่าอาหารก็ไม่มีอะไรมาก นั้นแสดงว่าความสำเร็จประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ต้องการมากแต่เป็นกลายที่เป็นสังคมบริโภคมีการปนปลือมีการแสวงหาขวายคว้าแข่ ง, งกันกินแข่า ง, ง, าขงกันดูแข่งกันใช้เนี่ยแข่งการบริโภคเนี่ยจนกลายเป็นการแข่งทำลายทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากการมองมองรูปสวยมองเสียงไพเราะมองกลิ่นหอมมองรสอร่อยมองสัมผัสนาา่าจะต้องเมื่อเกิดการขวายคว้าปรารถนาสิ่งตง วันที่จริงแล้วตรงนี้ก็เป็นการพยายามบรรเทาไปเรื่อยๆ เ, เพียงแต่ว่าไม่ใช่นิ่งพลดพราดไปสอนแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเราบรรเทาได้ไปเรื่อยๆเนี่ยการอยู่ร่วมกันของบุคคลภายในสังคมก็สงบเป็นสังคมของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นสังคมของความเป็นผู้มีเ ม, มตุจิตมิตรภาพทั้งหลาย ปัญหาความรุนแรงความร้าวฉาดต่างๆที่มันมีอยู่เป็นปกติวิสัยมันก็จะลดลงไปทั้งหมดที่เป็นปัญหาก็เกิดขึ้นจากการมองที่ทรงใช้คำ ว, ว่ากำหนดนะใจเราไปกำหนดด้วยจิตที่กำหนดความกำหนดก็เกิดขึ้นเรากำหนดว่ารูปนั้นสวยเราก็เกิดอยากได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสวยสากลนะที่บอกมันอยู่ที่ใจเรากาหนดเอา ตัวอย่างที่ชัดมากที่สุดคือกินอาหารในโต๊ะแล้วสอนเราได้ไรได้เยอะเลยนะในอาหารเป็นโต๊ะเนีอร่อยจริงไหมถ้าอาร่อยเป็นสากลคนก็กินอาหารทพื่อเดียวแต่ความอร่อยไม่ได้เป็นสากลความอร่อยมันขก้นอยู่ที่ความคุ้นเคยของเราการกำหนดใจของเราเท่านั้นเองเพราะอาหารอาร่อยจึงไม่มีโดยแท้จริงเพียงแต่ว่ามีตามการทางความพอใจของคนแต่ละคนเท่านั้นเอง หรืออาจจะพอใจเป็นกลุ่มคนเป็นพวกคนน่ะนะแต่ไม่มีอาหารอะไรที่อร่อยสากลมาความคนทั่วโลกกินแล้วรู้สึกอร่อยเนี่ยไม่มีอะแต่ว่าเป็นเรื่องของกลุ่มของพวกนะเป็นความพอใจความถนัดก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นจากใจที่กำหนดถามมาทำไมจ่จึงจึงจึงเกิดอาการมองอย่างนี้ ก็ทรงแสดงว่ามันมันเกิดขึ้นจากเรากําหนดตราเองนะเรากําหนดตัวเองแล้วคนอื่นก็สอนเรานะจริงจริงแต่เราลองสังเกตนะฮะว่าเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆอันนี้อร่อยนะลูกกินอันนี้น่าดูนะนําไปดูนะก็สะสมไมื่อยๆไปในใจเราใจเราก็สะสมไรื่อยๆมันไม่ใช่เพราะคนไทยนะแต่เพราะาเราถูกสะสมด้วยข้อมูลของคนไทยแล้วถ้าลูกคนไทยถ้าไปโตในความดังก็อร่อยคนละอย่างกันเห็นไหมนะอร่อยคนละอย่างกันสวยคนละอย่างกัน ก็สรุปว่าเป็นเรื่องของการเก็บสะสมเป็นการให้ข้อมูลจากคนอื่นมาก่อนแล้วเรากเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจเราที่ท่านเรียกว่าเป็นาธาตุเป็นเชื้อเป็นเชื้อที่มีอยู่ภายในใจแล้วก็พร้อมที่จะรับเชื้อจากข้างนอกแต่ถ้าไม่มีเชื้อเนี่ยเราไม่ไม่อร่อยเขาด้วยนะราะวั้นอาหารบางอย่างเอามาเคยเคยนึกถึงภาพแบบนั้นนานแล้วสมยัยวารตภไพพักได้นะ ลงไปช่วยชาวบ้านเอาอะไรขนมปงข น, ม, ขนมปังลงไปครับไปไม่ได้ลงที่นาสารนาสารไปหารถไปก็ปรากฏว่ามีลุงแก่ป้าป้ า, ปาแก่ๆคุณคุณแก่ๆนะฮะมาเราก็แจกขนมปังให้มีแยมมีอะไรมีพริกเผาอะไรแกถอยหลังกรูดเด่นขนมปังถอยหลังกรูกรูเลยไม่รู้อะไรมันชิ้นไม่ใหญ่แกไม่เอาเห็นไหมว่าตกลงอนความอร่อยเนี่ย สมับคนบางคนเนี่ยแกมองเป็นของน่ากลัวแต่ท่านที่คนอื่นก็ชอบกินกันท้อยหลังกูกูโดเห็นภาพอ่อไอ้ยอย่างงี้เองอย่างนี้อ ง, อ, งนองก็ทําให้เข้าใจธรรมะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นที่จริงเราต้องประสบเราต้องรู้มันรู้คุณรู้โทษของมันเน่ยความรักความชังจึงเกิดขึ้นมาทีหลังมันไม่ใช่เกิดขึ้นก่อนเพราะตอนตอนแรกมันจะเป็นเพียงโมหะเท่านั้นเองเป็นเพียงอวิชชาเท่านั้นเราต้องรู้คุณรู้โทษก่อน แล้วต่อมาก็ส่งให้คนอื่นก็ช่วยกินกินให้ดูนะฮะแกก็ดูดูดูดูไปขยับเข้ามาทีละนิดเียดนะนิดนะพอชิมยิบไปียดนิดเดียน่อยทีแล้กินใหญ่เลยนั่นก็แสดงว่ามันเกิดสัมผัสเกิดสัมผัสก็เกิดกําหนดกําหนดว่าอร่อยพอกําหนดอร่อยแกก็อร่อยสําหรับแกนะอร่อยสำหรับแกนี่ก็คือก็คือเรื่องของการกําหนด อ, อัตถง ทีนี้สิ่งเหล่านี้ในมุมเดียวกันอย่างง่เดียวกันถ้าพอภูมิปัญญาเราสูงขึ้นก็คล้ายๆกับของเล่นสมัยเด็กนีภาพชัดมากเหมือนกันว่าของเล่นสมัยเด็กนี่เราสนุกสนานเราสนุกกับตุ๊กตาสนุกกับสนุกสนานของเล่นรถน้อยเรือน้อยอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยในเวลานี้สิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอยู่แล้วก็ประณีตขึ้นนะฮะมีความหลากหลายยิ่งขึ้นแต่ถามว่าทาไมเราไม่อยาก ไม่อยากเล่นไม่อยากซื้อไม่อยากสนุกก็เพราะเรารู้ว่ามันมีอะไรเป็นไรมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ตะกี้เดินมาสวนกับเด็กเห็นกัถือหนังสือตุกกตอ๊กตาอะไรการ์ตูนตุ๊กยูฟุนเล่้ยวทั้งสามสิบบาทแมรเราเสียได้ตังแต่เด็กกัสนุกกับหนังสือการ์ตูนนะกัสนุกกัอ่านไปกันั่งยิ้มกันั่งยิม้มกัเพลินมากกัสนุกมาก นั้นแสดงว่ามันขึ้นกับภูมิปัญญาขงเรามันก็กลับไปสู่ที่อวิชชาอาวิชชาเ็นมาประการกำหนดโดยอำนาจของความว่ารูปสวยเสียงไพเราะกิะนอมรสอร่อยสัมผัส น, น่าจะต้องมันอยู่ที่ตัวปัญญาเรามากหรือน้อยถ้าปัญญาเรามากการกำหนดว่าสวยงามจะไม่มีเลย นามัสักแต่ว่ารูปสักแตว่เสียงสักแต่ว่กลสักตวรสสักแตว่สัมผัใจจะไม่ผูไม่แพรจะอยู่ทั้กลางอารมณ์ทั้งหลายท่านท่านจะไม่เดือดร้อนก็ลองดูตัวอย่างเราไปกับเด็กนท่เราไปกับเด็กเนี่ยเด็กมันจะสนุกสนานกับของเล่นสนุกกับลานกับนังการ์ตูนอะไรเราเราไม่สนุกด้วยทั้งทั้งที่เราก็เห็นเหมือนกันแต่เราก็ไม่สนุกด้วย ก็หมายความว่าไงหมายความเราม่มีปัญญารู้ว่าจริงๆเหล่านั้นเป็นของเล่นไม่ใช่ของจริงเราะฉันที่ที่ทรงสอนเป็นการเชิญชวนให้ให้คนมาดูโลกดูคนสองกลุ่มที่อยู่ในโลกว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุรัสชรุตที่พวกคนเราค่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ค่องอยู่ ก็อยู่กันในโลกด้วยกันนี่แหละเพียงแต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งอยู่ด้วยความข้องความติดจิตบรรจภูไม่จ ะ, มจะแคบเลยความรักความชังคูขึ้นพุบลงภูขึ้นพุบลงภูขึ้นพุบลงไปเรื่อยๆนะวันๆหนึ่งก็ไม่รู้สักกี่ครั้งกี่คนแต่เป็นยุค ข, ข้อมูลภาษาต่างๆอย่างนี้มาอย่างนึกเป็นเป็นห่วงนะนห่วงเอ้คนเราต้องฟังกันอย่างนี้เรื่อยๆนะ และเราสังเกตว่าข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ใช่เป็นเป็นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอะไรนะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีการกันกรองอะไรมันมันมันมั น, มนรูปปั๊บล้วพอพูดปุ๊บไปเลยถ่ายทอดทันทีทันใดมันเหมือนกับภาพข่าวในโอกาสต่อไปเนี่ยสังคมไทยเราจะน่ากลัวก็คือว่าโอกาสต่อไปเนี่ย เราจะไม่ได้การกลั่นกรองข่าวที่มาจากต่างประเทศเพราะเราจะรับตรงจากต่างประเทศและต่างประเทศนี่เขาเขาเขาไม่กลั่นกรองข่าวเท่าไรไม่ได้ลงมาให้กรอบวไปตัดต่ออะไรอะไรก่อนเพราะงั้นเด็กๆรับเด็กรับเด็ ก, ร เ, ด ก, ร เ, ดกเรียนรู้เด็กเข้าใจก็ยากต่อการที่จะติดต่อสื่อสารกัน ใครๆก็ส่งลูกหลานไปอยู่ต่างประเทศนานๆนะนะแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เลยเพราะอยู่เติบโตกันมาคนละวัฒนธรรมในสุดก็เกิดเป็นความแต ก, กแย ก, กเพราะในเรื่องตรงนี้มันก็อยู่ที่การพยายามพัฒนาปัญญาคือความรู้ที่เป็นระบบเกินไปให้คนคิดมากให้ครวนการกรองไม่ต้องฟังซะบ้างก็ดีเหมือนกัน เรื่องบางเรื่องไม่น่าฟังก็อย่าฟังอย่างที่ปุตเจ้าท ร, ทรงสอนบางเรื่องนะให้หลบไปเลยคือไม่ใส่ใจปิดหูปิดตานะแนวที่เคยยกตัวอย่างมาแนวของของทรงยกตัวอย่างเตาอ่ะนะนวอย่างเตว่าเก็บไปหมดเก็บเก็บขาเก็บเก็บหัวเก็บหางหรือเหมือนกระช่างเหมือนกระช่างหรือเหมือนกับการ